จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญบารมีเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญความก้าวหน้าความรุ่งเรืองความทนจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่การเจริญเหตุคือสร้างบุญบารมี คนเราที่เราเกิดมามีความแตกต่างกันก็เป็นผลที่เกิดจากการสร้างบุญบา ร, รมีมาไม่เท่ากันทําบุญมาไม่เท่ากันเช่นทานบา ร, รมีไม่เท่ากันศีลบา ร, รมีไม่เท่ากันเนคัมมะบา ร, รมีไม่เท่ากันวิริยะบา ร, รมีไม่เท่ากัน เมตตาบรารมีไม่เท่ากันปัญญาบรารมีไม่เท่ากันจึงทำให้คนเรามีความแตกต่างกันในรูปร่างหน้าตาในฐานะการเงินการทองในสติปัญญาความรู้ความชราดเพราะการสะสมบุญบาลมีในแต่ละภพในแต่ละชาติมานี้ มีความแตกต่างกันนั่นเองถ้าได้สะสมบุญบา ร, รมีมากแล้วทำบาปน้อยเวลาตายไปก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วหลังจากนั้นก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะมีฐานะต่างๆดีกว่าชาติก่อน ถ้าทำบาปมากกว่าสร้างบุญบารมีตายไปก็ต้องไปใช้กรรมนอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างแล้วพอหมดบาปหมดกรรมก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็จะกลับมาเกิดด้วยฐานะที่สู้ ฐานะเดิมไม่ได้เช่นรูปร่างหน้าตาจะไม่สวยงามจะไม่ดีเท่าชาติก่อนฐานะการเงินการทองก็จะไม่ดีเท่าชาติก่อนสติปัญญาความรู้ความฉลาดก็ไม่ดีเท่าชาติก่อนอายุก็ไม่อยูย่ยางนานเท่าชาติก่อนร่างกายก็มีสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคภัย ไ, ไข้เจ็บเบี่ยงเบนเ มีอาการไม่ครบ32นี่เป็นเหตุที่เกิดจากการทำบาปมากกว่าทำบุญพอไปใช้บาปแล้วกลับมาเกิดใหม่ผลของบาป ท, ที่ยังมีตกค้างอยู่จึงส่งให้มาเกิดแบบอาภัพวาชนาส่วนผู้ที่ทำบุญมากกว่าทำบาปเวลากลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิด แบบผู้มีบุญมีวาสนาเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราหลังจากที่พ่อได้บำเพ็ญเป็นพระเวชสันดรดสร้างทานบา ร, รมีอย่างเต็มที่พอพ่อตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วหลังจากนั้นก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเป็น เป็นราชโอรสของพระมหากษัตริย์มีทรัพย์มากมายมีความสุขมากมายมีบุญมีวาสนาสามารถส่งให้ท่านได้เสด็จออกจากพระราชวังและออกบวชปฏิบัติธรรมจนได้ตัดสุ้เป็นพออาาระอรหันตาสมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาก เ, เพราะบุญบรารมี ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาในแต่ละภพแต่ละชาตินั่นเองเช่นทานบา ร, รมีก็เป็นการเสียสละจาระคบริจาควัตถุเข้าของเงินทองสินของต่างๆให้แก่ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอสินก็รักษาอย่างสม่ำเสมอสินห้าเป็นปกติสินแปหรืออุโบสถศิน เือที่เรียกว่าศีลพรหมจรรย์ก็รักษาในเวลาที่ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาแล้วก็เนธขรมมะบารมีก็ออกบวชละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมุ่งไปสู่ความสุขภายในใจคือความสุขที่เกิดจากความสงบที่ สามารถเจริญสติควบคุมความคิดต่างๆให้ระ ง, งับหยุดได้ชั่วคราวเวลาความคิดต่างๆหยุดความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่เหนือกว่าความสุขอื่นใดทั้งหลายในโลกก็จะปรากฏขึ้นมาเกิดจากการเจริญเนคขม า, ารามี นั่นก็คือการถือศีลแปหรือศีลสิหรือศีลสองิบเจ็ข้อไม่แสวงหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกทางลิ้นเช่นถ้ารับประทานอาหารก็จะรับประทานเพื่อระงับความหิวของร่างกายไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขรับประทานเหมือนรับประทานยา รับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายถ้ารับประทานหลายครั้งแสดงว่าไม่ได้รับประทานเพื่อร่างกายเพียงเดียวแต่รับประทานเพื่อความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้นกายซึ่งเป็นความสุขที่จะมัดให้สัตว์โลกทั้งหลายต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนับไม่ถ้วนเป็นความสุขที่ที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าไปฮุบเหยื่อที่อยู่ติดปลายเบ็ดแล้ว <c oughs> ก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากฉันใดผู้ที่ยังติดอยู่ในความสุขทางตาหูจมูกมืนกายทางลูกเสียงกลิ่นรสปวดภท่าผ้าอิง ก็จะต้องติดอยูกับการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดที่จะต้องไปหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆผู้ที่จเจริญเนธขัมมะบารลี คือผู้ที่ออกบวชเป็นผู้ที่แสวงการหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดแล้วก็เป็นผู้ที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันหมดไปคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายแล้วถ้าใจสามารถ ทำให้สงบได้ตลอดเวลาก็จะมีความสุขตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเหมือนอย่างพวกที่ยังไม่สามารถตัดความอยากหรือความผูกพันกับความสุขทางร่างกายได้เวลาร่างกายลายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขได้ก็จะทุกทรมานใจเหมือนคนที่อยากจะดื่มสุราแล้วไม่ได้ดื่มคนที่อยากจะสู่บุหรี่แล้วไม่ได้สุบคนที่อยากจะเสพยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพความรู้สึกจะทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมาก พไปติดเกิดไปติดไปมีความอยากกับบุหรี่ยาเสพติดและสุรายาเมาแต่สำหรับผู้ที่สละตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดโภชภะได้เวลาร่างกายเป็นอะไรไปเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆได้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าใจไม่ได้มีความอยากที่จะเสกใจมีความสุขจากความสงบจากการไม่มีความอยากนั่นเองดังนั้นการเจริญเนคขมบาเนคขมมะบารมาารีเป็นบารมีที่สำคัญต่อการได้พบกับความสุข ที่แท้จริงที่ถาวรแต่ก่อนที่จะได้พบกับความสุขที่ถาวรก็ต้องเจริญปัญญาบรารมีก่อนปัญญาบรารลีก็คือความรู้ความรู้เป็นเหมือนแผนที่ที่จะบอกทางให้ได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงถ้าไม่มีความรู้ก็จะไม่สามารถที่จะ นำพาชีวิตของตนให้ไปสู่ความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้จึงจำเป็นจะต้องเจริญปัญญาบารมีอย่างที่ญาติโยมกำลังกระทำกันอยู่ในขณะนี้การฟังเทศฟังธรรมนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่จะนำพาไปสู่ การพ้นทุกความรู้ที่จะพาไปสู่ความสุขที่ถาวรมีเป็นความรู้ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเพราะไม่มีใครที่จะรู้ความรู้นี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเพราะผู้อื่นนั้นไม่มีบุญบารมีไม่มีปัญญาบารมี พอที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้นี้ได้ด้วยตนเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ได้บำเพ็ญปัญญาบาณีมาอย่างโชคชมจนสามารถค้นพบความรู้ที่เป็นทางนำไปสู่การดับทุกข์ทั้งปวงนำไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่าตาเกิดได้ ดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาธรรมะนี้จึงเป็นการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาวิชาความรู้ต่างๆในโลกนี้ต่อให้ศึกษาจบปริญญาเอกที่ถือว่าเป็นความรู้สูงสุดของทางโลกแล้วก็ตามก็จะยังจะไม่มีความรู้ที่จะพาให้ตนเองนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ คนที่จบปริญญาโทรปริญญาเอกก็ยังมีความทุกข์ใจเศร้าใจได้เวลาประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาก็เศร้า อ, อกเศร้าใจเวลาสูญเสียสิ่งที่รักใฟก็เสีย อ, อกเสียใจเพราะความรู้ระดับปริญญาเอกนี้ไม่ได้มีสอนวิธีให้สามารถดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจได้นั่นเอง แต่ความรู้ของพระพุทธศาสนานี้สามารถทำให้ดับความทุกข์ต่างๆได้เพราะศาสนาจะสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ใจและอะไรที่จะดับความทุกข์ใจได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความทุกข์ใจไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากของใจนี้เองไม่ได้ไม่ได้เกิดจากผู้อื่น เวลาที่เราไม่สบายใจทุกใจเราอย่าไปโกรธอย่าไปโทษคนอื่นที่ทำให้เราทุกข์ใจเพราะว่าเราเป็นคนสร้างเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเองความทุกข์ใจก็คือความอยากนั่นเองเช่นเราอยากจะไปเที่ยวแล้วขออนุญาตพ่อแม่หรือขออนุญาตสามีหรือภรรยาแต่เขาไม่อนุญาตให้ไป เราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่ได้ไปเที่ยวตามความอยากเราก็เลยไปโทษพ่อแม่ไปโทษสามีไปโทษภรรยาว่าทำให้เขาทุกข์ใจแล้วก็พยายามไปแก้ที่เขาแทนที่จะมาแก้ต้นเหตุของความทุกข์ใจคือความอยากก็ไปแก้คนที่คิดว่าทำให้เราทุกข์ใจคือต้องไปบังคับให้เขา อนุญาตให้เราออกไปให้ได้แต่นั่นไม่ใช่เป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องวิธีแก้ที่ถูกต้องก็ต้องหยุดความอยากเพราะเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีความอยากไปเที่ยวอยู่ก็ไม่เห็นมีความทุกข์ใจแต่อย่างใดอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้อยู่บ้านก็มีความสุขได้แต่พอมีความทุกข์มีความอยากที่จะออกไปเที่ยวเท่านั้น แล้วไม่ได้ออกไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าความทุกข์ใจทั้งหมดของเรานี้อยู่ที่ใจของเราเองไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ความอยากของเราความอยากที่จะไปสัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยาก มีอยากเป็นก็เช่นอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตเวลามีการเลือกตั้งก็ไปสนองสมบัติอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้างเป็นกำนันเป็นสอทอเป็นสมาชิกเทศบาลเป็นสจเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเป็นสสอเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดจากความอยาก เวลาอยากแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้จะหุุนหิรลำคาญใจจะต้องไปพยายามทำตามความอยากให้ได้ <c oughs> ก็ต้องไปสมัครเลือกเลือกตั้งต้องไปหาเงินหาทองมาโฆษณามาหาเสียงแล้วเวลาไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจแล้วก็ไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าเขาโกงบ้าง เขาทำผิดกติกาบ้างแทนที่จะยอมรับว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเมื่อเราอยากแล้วสมัครแล้วถ้าไม่ได้ก็จบไปความทุกข์ก็จะได้ไม่ตามมาแต่ถ้ายังไม่ยอมยังอยากจะเอาแพ้เอาชนะอยู่ก็จะยังมีความทุกข์ต่อไป ส่วนคนที่ได้รับเลื่อตั้งก็ดี อ, อกดีใจไม่นานก็อยากจะได้ลงสมัครในสภาที่สูงขึ้นไปพอเป็นสภาท้องถิ่นแล้วต่อไปเวลามีการเลือกตั้งสภาสภาของของประเทศก็อยากที่จะลงไปสมัครอยากจะไปเป็นสอส อ, อยากจะเป็นรัฐมนตรี นี่ก็คือตัวอย่างของความอยากมีอยากเป็นถ้ามีความอยากมีอยากเป็นแล้วจะอยู่ไม่เป็นสุขคนที่เขาไม่อยากเป็นเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเขาก็อยู่เฉยๆมีความสุขมีความสบายส่วนความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลา มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายแล้วพอเวลาแก่ก็จะมีความไม่สบายใจเวลาส่องหน้าในกระจกเห็นหนังเหี่ยวยน่นเห็นมีผมขาวโผล่ขึ้นมาหรือผมร่วงก็จะเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายใจเวลาหมอบอกว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ เหรือเวลาอีกไม่นานจะต้องตายไปก็จะทุกข์ทรมานใจเพราะว่ามีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองถ้าไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาแก่จะไม่เดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่เดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยเวลาจะต้องตายก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจ จะรู้สึกเฉยๆเพราะว่าใจไม่ได้มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองนี่คือต้นเหตุของความทุกข์ใจเพราะพรพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้ความทุกข์นี้หายไปก็คือต้องหยุดความอยากทั้งสามประการนี้ให้ได้วิธีจะหยุดความทุกข์ทั้งความอยากทั้งสามอย่างนี้ ก็ต้องใช้ธรรมะคือมักมักที่พระเจ้าสงสานให้เรามาทากันนี่เองมักก็คือทานศีลภาวนาทําทานเพื่อตัดความอยากเช่นอยากจะเอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มก็ให้เอาเงินที่อยากจะซื้อสุรานี้มาทำบุญเอามาให้คนอื่นเมื่อไม่มีเงินซื้อสุราก็จะไม่ได้ดื่มสุราถึงแม้ว่าจะ ทุกเพราะความอยากดื่มโซดาแต่ถ้าไม่ให้ไม่ยอมให้ดื่มเดี๋ยวไม่นานความอยากหนึ่งก็จะหายไปเองทนทุกเอาหน่อยทนความหงุดหงิดใจเอาหน่อยต่อไปเดี๋ยวมันก็จะอ่อนกําลังไปเองถ้ามันไม่ได้รับการตอบสนองแต่ถ้าไปตอบสนองความอยากความอยากนี้มันก็จะ ระ ง, งับตัวชั่วคราวแต่ไม่นานวันต่อมามันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่และจะเกิดขึ้นแรงกว่าเก่าเช่นเคยดื่มขวดหนึ่งหรือกระป๋องหนึ่งวันต่อไปก็อยากจะดื่มสองกระป๋องอยากจะเพิ่มจํานวนเพิ่มมากขึ้นไปเพราะเดิมเท่าเดิมแล้วมันยังไม่จุใจต้องดื่มเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเราทําตามความอยากมันก็จะ ขยายตัวออกไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะมาทำลายชีวิตเราคนที่เดือนสุรามากๆ ก, ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยต่างๆด้วยพิษของโรคที่เกิดจากพิษสุรา <Yeah. S 1> นี่คือวิธีที่จะแก้ความอยากแก้ความทุกข์ใจก็คือต้องไม่ทำความอยากเอาเงินที่จะไปซื้อ ของที่เราอยากได้ที่ไม่จําเป็นนี้เอามาทําบุญแทนเวลาทําบุญก็จะมีความสุขใจมีความอิ่มใจไม่นานก็จะเลิกเดินสุราได้เลิกใช้เงินใช้ทองแบบที่ไม่เป็นประโยชน์เลิกใช้เงินใช้ทองต่อการตอบสนองความอยากต่างๆเช่นอยากจะเป็นสอสอแทนที่จะเอาเงินไปหาเสียง ก็เอาเงินมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์จะได้บุญมากกว่าจะมีความสุขจะได้บารมีจะได้สิ่งที่ดีติดตัวไปถ้าเอาเงินไปหาเสียงแล้วไปทำผิดกฎหมายไปซื้อเสียงถูกเขาจับได้เขาก็จะให้ใบแดงทำให้ไม่สามารถได้ตำแหน่งที่อยากจะได้ก็จะต้องเสียอกเสียใจ และจะคิดร้ายต่อผู้ที่เขาจับเราจากการกระทำผิดของเราและอาจจะไปอาฆาตขยบบาทไปทําร้ายเขาไปทําบาปทํากรรม mm hmm. เพราะอํานาจของความอยา mm hmm. เมื่อไม่ได้ดังใจอยาเสียใจแทนที่จะโทษตนเองก็กลับไปโทษคนอื่น mm hmm. แล้วก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นตายไปแทนที่จะไปสวรรค์ ก็จะต้องไปเกิดในอาบาพอกลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมาเลวกว่าเดิม น, นี่คือตัวอย่างของการแก้ปัญหาถ้าเราอยากจะหาอยากจะเป็นสสแล้วเราเปลี่ยนใจเอาเงินที่จะหาเสียงนี้มาสร้างวัดมาสร้างเจดีสร้างโบสถ์สร้างกุฏิเราก็จะมีบุญติดตัวไปเราก็ไม่ต้องทำบาศ ว่าคนที่ชอบทำบุญจะไม่ชอบทาบาปอยู่แล้วนั่นเองตายไปก็ได้ไปสวรรค์กลับมาก็จะได้กลับมาเกิดเป็นคนที่มีมีเงินทองมากกว่าเดิมรวยกว่าเดิมนี่คือตัวอย่างของการดับความอยากเวลาจะใช้เงินตอบสนองความอยากก็ให้เอาเงินนี้มาทำบุญแทน แล้วขั้นที่สองก็ให้รักษาสินก็คือให้ละเว้นจากการทำบาปเวลาอยากจะเอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มก็ไม่ซื้อเพราะว่ามันเป็นบาปเอาเงินมาทำบุญหรือเวลาที่จะไปทำร้ายผู้อื่นด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็จะไม่ทำก็จะได้ไม่มีเวรมีกรรมตามมา ใจก็จะมีความสงบมีความสุขความอยากก็จะน้อยลงไปความอยากที่จะทำร้ายผู้อื่นก็จะน้อยลงไปความอยากที่จะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะมีน้อยลงไปความอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นก็จะเบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดถ้าอยากจะหมดก็จะต้องใช้วิธีที่สาม ก็คือต้องปฏิบัติธรรมคือต้องนั่งสมาธิต้องเจริญปัญญาเพราะการนั่งสมาธินี้จะตัดกำลังของความอยากได้ถึงศูนเลยแต่จะตัดได้เพียงชั่วคราวคือไม่ถาวรเวลาทำใจให้สงบแล้วความอยากต่างๆจะหยุดทำงานไปชั่วคราว พอไม่มีความอยากก็จะ ม, มีความอิ่มมีความสุขมีความพอคนที่มีความสุขจากการทําสมาธินี้จะลดความอยากต่างๆได้มากเมื่อก่อนอาจจะอยากไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของสวยๆงามๆมาใช้ม า, มาใส่แต่พอใจมีความสงบแล้วมีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วจะไม่ค่อยอยากจะไปไหน ถ้าจะไปก็อยากจะไปวัดมากกว่าอยากจะไปหาสถานที่สงบที่จะได้ทำจิตใจให้สงบให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีกนี่คือผลที่จะเกิดจากการนั่งสมาธิแต่ความสงบความสุขที่ได้จากสมาธินั้นก็จะค่อยๆจางหายไปหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วถ้ามา เห็นนู่นเห็นนี่ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้พอเกิดความอยากขึ้นมาความสุขความสงบก็จะหายไปถ้าอยากจะรักษาความสุขความสงบก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้ระงับความอยากให้เห็นโทษของความอยากว่าไม่ได้เป็นการสร้างความสุขแต่กลับเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าสอนอยู่เรื่อยๆ ก็จะหยุดความอยากได้ให้เห็นว่าการได้อะไรมาหรือการจะทำอะไรตามความอยากนี้จะได้ความสุขเพียงเหี๋ยวเดียวเป็นความสุขเหมือนควันไฟหลังจากนั้นก็จะจางหายไปแล้วก็จะทำให้เกิดความอยากเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกวิธีที่ดีก็คืออย่าไปทำตามความอยากแล้วก็กลับไป นั่งสมาธิดีกว่าหรือถ้าตัดความอยากได้ใจก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิเลยใจสงบก็จะมีความสุขเหมือนกับในขณะที่นั่งอยู่ในสมาธิถ้าตัดความอยากได้หมดแล้วใจก็จะมีความสงบอยู่ตลอดเวลามีความสุขอยู่ตลอดเวลาเช่นใจของพ้อพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายท่านสามารถ จเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาจนสามารถตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ตัดความอยากในในรูปเสียงกลิ่นรสตัดความอยากมีอยากเป็นตัดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นจนหมดไปเลยเลยไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรไม่อยากจะเป็นอะไรเวลาแก่ก็ไม่ก็ไม่เดือดร้อน พราะไม่มีความอยากไม่แก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์พาะไม่มีความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่มีความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรามาเจริญปัญญาบารมีกันเราจะได้รู้จัก วิธีที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ในชาตินี้ได้เราก็จะไปทำต่อได้ในชาติหน้าปัญญาที่เราได้เรียนรู้นี้จะติดไปกับเราการกระทัาที่เราทำด้วยปัญญาจะติดเป็นนิสัยไปเมื่อเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมาปฏิบัติต่อ โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนมามาชวนเราเพราะมันจะปิดเป็นนิสัยไปคนที่ได้สะสมบุญบรารมีต่างๆมาแล้วจะมีนิสัยที่จะสร้างบุญบรารมีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะได้บรรลุถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ถ้าไม่ได้บำเพ็ญบุญบรารมีจิตใจก็จะสร้างแต่ความอยากจะทำแต่ความอยากก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดสูงสูงต่าง่ำอยู่เรื่อยๆถ้าอยากแล้วไปทำบาป ก, ก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้าอยากแล้วแต่ไม่ทำบาป ก, ก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์แต่ก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อย แต่ถ้าสามารถชำระความอยากให้หมดไปจากใจได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องทุกกับเรื่องอะไรทั้งหลายไม่ต้องทุกกับเรื่องงานเรื่องการเพราะว่าไม่ไม่ต้องใช้เงินนั่นเองไปบวชอยู่แบบนักบวชสบายไม่ต้องหาเงินหาทอมีเวลาที่จะดับความอยากต่างๆต่อสู้ความอยากต่างๆ ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ น, นี่คือหน้าที่ของพวกเราที่แท้จริงคือการดับทุกใจของเราและสร้างความสุขใจของเราที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราสมบัติอื่นๆนั้นไม่ใช่เป็นของเราเป็นของชั่วคราวตราบใดที่ยังมีร่างกายนี้อยู่สมบัติต่างๆก็ยังเป็นของเราอยู่แต่พอร่างกายนี้ตายไปแล้ว สมบัติทั้งหลายก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปเราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้แต่สมบัติภายในใจคือความสุขที่เราได้รับจากการสร้างบุญบรารมีนี้จะติดไปกับเราจะเป็นของเราไปตลอดไม่มีใครสามารถแย่งจากเราไปได้เราจึงควรให้ความสําคัญต่อการสร้างบุญบรารมี ยิ่งกว่าการสร้างรากยศสรรเสริญสร้างความสุขทางตาหจูจนูกลิ้นกายเพราะเป็นความสุขที่ชั่วคราวนั่นเองความสุขที่ถาวรคือความสุขจากบุญบรารมีเป็นความสุขที่เราควรจะสร้างกันเพราะจะเป็นของเราไปตลอดจึงขอฝากเรื่องของการอาวัดเพื่อมาสร้างบุญบรารมีต่างๆเหล่านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิปพจารณา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 โดยทั่วหน้ากันเธอ